บทภาชนีมัคคะภาณวันห้าสิบหญิงสามจำพวกคือหญิงมนุษย์หญิงอมนุษย์สัตว์ดิรฉานตัวเมียอุปโตพยัญชนกสามจำพวกคืออุปโตพยัญชนกที่เป็นมนุษย์อุปโตพยัญชนกที่เป็นอมนุษย์และอุปโตพยัญชนกที่เป็นสัตว์ดิรฉานบรรดาสามจำพวกคือบรรดาที่เป็นมนุษย์บรรดาที่เป็นอมนุษย์ บรรดาที่เป็นสัตว์ดิรัชานชายสามจำพวกคือชายที่เป็นมนุษย์ชายที่เป็นอมนุษย์สัตว์ดิรัชานตัวผู้หญิงสามจำพวกมีพวกละสามทาวารภิกษุเสพเมทุนธรรมกับหญิงมนุษย์สามทางคือทาวานหนักทาวานเบาปากต้องอบัติปาราชิกภิกษุเสพเมทุนธรรมกับหญิงอมนุษย์ ก, cile, กับสัตว์ดิรัชานตัวเมียสามทางคือทาวานหนักทาวานเบาปาก ต้องอบัตติปารชิกอุพโตพยัญชนก3ามจำพวกมีพวกละสมทวารภิกษุเสพเมทุนธรรมกับอุพโตพยัญชนกที่เป็นมนุษย์กับอุพโตพยัญชนกที่เป็นอมนุษย์กับอุพโตพยัญชนกที่เป็นสัตว์ดิรกชันสามทางคือทวารหนักทวารเบาปากต้องอบัตตปาราชิกบรนดอสามจำพวกมีพวกละสองทวารภิกษุเสบเมถุนธรรมกับบรนดอที่เป็นมนุษย์กับบรนดอที่เป็นอมนุษย์กับบรนดอ ที่เป็นสัตยรชานสองทางคือทวารหนักปากต้องอบัตปาราชิกชายสามจำพวกมีพวกละสองทวารภิกษุเสพเมทุนธรรมกับชายที่เป็นมนุษย์กับชายที่เป็นอมนุษย์กับสัตวยรชานตัวผู้สองทางคือทวารหนักปากต้องอบัตปาราชิก